ขออ้อละเก่าสมุทรยกรถาเจ้าาญาเจ้าบ้านตาต็นทองที่มาทาบนวันนี้เป็นวันพระแรลมสิี่ข้ามเดือนเก้าระวังจันทกติสุริยกติไม่ตรงกัน แต่เป็นวันที่สิบสี่เดือนกันยาแล้วใช่ไหมแต่เรือนเก้าบพิ่งจะสิ้นไปวันนี้เพราะว่าปีนี้เป็นแปดสองโหนก็ชาวบ้านเราก็มาทำบุญถ้าว่าทำบุญก็ทำความดี ที่มันเกิดความดีขึ้นมาเพราะใจมันดีคนใจดีก็แสดงออกทั้งความดีพูดดีคิดดีทำดีถ้าคนใจชั่วก็พูดทำพูดชัว่วทำชัวชช่วผิดชั่วบ้านใจดีคือบุญพอให้ไปสู่สวรรค์นี้พานได้ คนใจไม่ดีไปชู่าวบ่อยไปชั่วนรกทำดีไม่ได้กานสำคัญอยู่ที่จิตใจระวังจิตใจให้ดีๆรักษาใจให้ดีๆเพื่อจะได้เป็นประโยชน์เฉอใจใจไม่เป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จอยู่ที่ใจ จะไปนะ่นโลกก็ที่ใจจะไปสวรรค์ก็ใจแล้วจะไปนี่บานก็คือใจวันนี้เราจะมาทําใจกันให้มีกระแสะให้กคจุ่ม อ, อบุญที่ใจ ด, ดีมีผลใจดีมีข้าวอาหารเดินทา ม, มาไกลสองกมจากบ้านมาสวัสนี อย่างจอมกับาสมหา น, นัินศลนั่งเตะทีฮะเจ้ า, าบันนี้อาจจะคิดถึงทานของตอนคิดถึงศีลของตอนเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นใหญ่จะเป็นหัวหน้าพิธีรักษาใจก็มีสติก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดเพื่อให้เกิดบนเกิดกุศลขึ้นมาถ้ามีใจเพื่อไปชมสวรรค์นิพพาน ไม่ใช่มีใจเพื่อไปสู่บาไปสู่โลกอันนี้จะงเป็นใหญ่ใจของยาดยอมดีแล้วก็มีผลได้เลือดในเนื้อจะคนใจดีได้ชีวิตจกคนใจดีถ้าคนใจไม่ดีเราก็ไม่มีอาหารสานจินไม่มีที่หัวสายใจของโยมดีพวกเราก็อยู่ได้ แล้วก็มีชีวิตเพื่อทำความดีให้ดีต่อไปอีกจากท่านที่ให้น้อมใจแล้วก็มีความเป็นคุณค่าของคนใจดีก็ทําความดีต่อปลอยสะพานแห่งความใจดีของคนก็หนึ่งปล่อยอีกตคนหนึ่งก็สู่ความดีอีกมากมายหลายอย่างอันนี้ก็ถือว่า <c oughs> ในนิสงหลายอย่างถ้ามีคนอยากจะฟังเรื่องไปประเทศพูทธานลวงตาไปประเทศพูทธานกลับมาด้วยสามสี่วันในสามวันสี่วันในประเทศพูทธานกับบ้านเราใกล้ใกลเคียงกันเป็นคน้าวเขาเหมือนกันแต่ว่าเขานั้นไม่มีที่เดินเหมือนบ้านเราเท่าไหร่มิแต่ขึ้นเขาปีนเขา อยู่ตามลําห้วยแม้น้ำํำนอกจากนั้นก็อยู่บนเขาแต่บ้านเขามีน้ําเยอะแยะที่ไหนก็มีน้ําบนหลังเขาก็มีน้ํามันชุ่มมันชื้นมันสูงในแถบภูเขาเหิมาลัยแต่ความเป็นอยู่ยากลําบากกว่าพวกเรา แต่คนเขาก็เช่นแส ง, งประเทศน้นนอยประเทศเขาเนี่ยเท่ากับจังหวัดชัยภูมินี่บนลเมือง7กตแสนคนแปดแสนคนเขาอยู่กันด้วยความสงบป่ ม, มเย็นพระมหากษาัตร์ของเขากับสังฆราชอยู่ด้วยกันนั่งสมาธิด้วยกันพระมหากษัตย์นั่ง พระวนาอยู่นี่พรนสังฆราชนั่งอยู่นี่อยู่ที่เดียวกันแล้วเขายังเป็นประเทศที่มีความยิ้มเยยมแจ่มใสคนมีแต่คนหน้ายิ้มยิ้มไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่มีความยิ้มเยยมแจ่มใสสงบร่มเย็นตำรวจไม่มีไม่ถืออาวุธอยู่กับเพื่อนกับชาวบ้าน การกําหนดของของเขานี่ลบากมาเดินขึ้นเขาก็ชีมาแต่ก่อนไม่มีรถไม่ลาเขาก็ชีมาที่วนก็ยังใช่มาใช่ลากันอยู่ลาขนของเอาใส่หลังลาปีนขึ้นเขาขึ้นไปจะสร้างบ้านก็ใส่หลังลาขึ้นไปปีนเขาขึ้นไป ตีปูนใส่ไม้ไปเปินเขาให้หลาขึ้นให้หลาแบกขึ้นให้ลามันก็เชื่องเวลาของขึ้นหลังลงเดินขึ้นเขาเองไปถึงที่หมายก็ยืนก็หนึ่งก็เวลาสี่ตัวห้าตัวเป็นภาหานะทำขนของก็เสดลงมามีผลไม้ มีแอปเปิลมีแตงไม่เลยรบนภูเขาของเขารสชาติดีถ่องต่เอาพริกมามาเพาะก็จะเอาพริกภูเขามาปลูกพริกภูเขาบ้านเราให้มันอาจจะแ้าพริกปลูกพริกได้ก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีต่อไปอีกเพราะนั้นให้หลักบ้านรักเมืองเรานี่แหละดีที่สุด ไม่ใช่เราอยู่ล่างลำบากเขาลำบากกว่าเรานี่อยู่บนลงเขาเขายังอยู่ได้เรานี่อยู่นี่ก็สะดวกกว่าเขาอยู่แล้วรถหลาก็มีเดินไปไหนมาไหนก็ยังได้ด้วยตัวเป๋าแต่ถ้าเขาลงปีนเขาขึ้นไปแต่ว่าขนเขาแข็งแรงมากตั้งเด็กได้ผู้ใหญ่เด็กน้อยจุนว่าให้ลุงจ๋าขี่ขึ้นเขามันก็วิ่งเหมือนม้าเลยตึ๊กตึ๊กขึ้นเลย มาวิ่งเหมือนกับวิ่งเวลาขึ้นเขาบางทีมันเดินไม่ได้มากกระโดดเด็กน้อยก็กระโดดขึดดน้นดดไ้เรื่อททางาทางไราให้เงินมาเด็กร้อยบาทสงสารนั่ น, นบ้านเราดีที่สุดแล้วนะรักบ้านลักเมืองเรานี่แหละรักประเทศรักธรรมชาติมีวัดวาอารามบ้านเมืองเขาก็มีวัดวาอาราม มีศาสนาถึงชีวิตของเขาเป็นคนพุทธศาสนา1้0ยเปอร์เซ็ไม่เคยเห็นใครกินเล้าโมอยา่ายื่มใใเยี่ยมเฉยเยเป็นภาัยกันได้ญาติโยมหัวธนาไดตาต้ต่อไปก็รตรวจน้ำาล้พรไม่ต่นมมีเสียงมาไม่มีเสียงเล